อิลลัม توكر لنا وترحمنا لناتونا من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة نحي لنا من أمرنا رشدا اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا الحمد لله ونبين ص نك ับ صرح نو أي جزء ที่29นะครับเราอ่านมาแล้วทั้งหมด ส و ุ ة الملک ส ورة القلم ส ورة الحق لك المعارج ซีสูรห si ah ah ah ์แล้วเนี่เป็นสูรห์ที่ห้านะครับในจานวนสูรห์ต่างๆในยุยูซุที่ยี่สิบเกถ้าเราจะลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ส ورة الملک ผมจะย้อนสักน right. ิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะขึ้นสุราะใหม่เพื่อที上上上上上่จะเรียนรู้ว่าในสุลาะนูห์เนี่ยพูดถึงอะไรบ้างตั้งแต่สุรุตุลมุลก์สุรุห์อัลกลัมรห์อัลฮากะรห์อัลมาริละกมาถึงสุรห์นูห์และหลังจากนี้ก็คือสุรุตุลจินสุรุตุลมุซัมล์สุรุตุลมุดเตศรสุรลอินซานละกรล قيام ะ สุรษะอินสันเล่าส ja ุรษะทูลม ah ja ุรสแลตแทนจะวิเคราอัลกุรอานเนี่ยมันสามารถที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆหรือดึงบทเรียนต่างๆจากมันได้มากได้หลายแง่มุมบางทีสุรษะเดียวเราอาจจะได้บทเรียนต่างๆที่มหาสาลมาก วันนี้เราเรียนสุราะฎ์ใดสุราษฎรหนึ่งเราดึงบทเรียนในเรื่องของอังกิดาพอเราอ่านอีกครั้งหนึ่งเรามาดึงบทเรียนถอดบทเรียนในเรื่องของอิบัดะอีกวันหนึ่งเราบทดึงบทเรียนในเรื่องของสังคมในเรื่องของมารยาทในเรื่องของการเมืองในเรื่องของเศรษฐกิจ ในเรื่องของการบริหารจัดการมันมีความเป็นไปได้หมดเลยนะครับในโซร์บางโซร์อายับางอายัทีนี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ตั้งแต่สุรตุลมุลกมาจนถึงสุรหนุษยเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งน้อยคนจะวิเคราะห์ในเรื่องนี้ก็คือบท <c oughs> เรียนในเรื่องการทางานด่าวของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้าเราจะตั้งคาถามตัวโตๆเขียนคาถามตัวตตๆว่ามิติในเรื่องของการด่าของท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่เราได้จากสุรทลมุลก์กี่ข้อกี่อย่าง ในสุราตุลกลัมกีอย่างสุราตุลฮักกเกี่ยวกับอะไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด่อว่าโดยเฉพาะเลยในสุราตุลมาอาริชด้วยคือถ้าเราตั้งคําถามแล้วเราเจาะจงเอามากระดับบทให้ดีเอามาไขครวนให้ดีเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะได้บทเรียนในเรื่องของการทํางานด่าอว่าอย่างมากมายเลยทีเดียว เป็นที่ทราบกันนะครับว่าการด่าวของท่านนาบีสลุลตล่านมันใช้เวลา23ปีอัล ล, าาาลาอฮฺ سبحانه และ تعالى ตลอดที่ท่านนาบีทํางานด่าวนั้นได้สอนได้ชี้แนะได้บอกผลทางต่างๆวิธีการต่างๆให้กับท่านนาบีของเราผ่านวาหูของพระองค์เวลาที่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับบรรดาคนที่เป็นมุชริกีนเป็นผู้ที่ท่านนาบีด่าวด้วยนี่ท่านนาบี ก็รับวิญญาณสดๆจากอั ح ح าลลอฮุ سبحانه และ ت ع ในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าท่านนาบีอัลลอฮ์ยังไงมีอุสลูปมีวิธีการอย่างไรแหล่งอ้างอิงปฐมภูมิใครที่เรียนวิจัยจะรู้จักดีปฐมภูมิกับทุติยภูมิใช่มครับแหล่งอ้างอิงที่เขาเรียกว่าแหล่งอ้างอิงหลักประการแรกเลยก็คือคมภี์ของลออุด إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بال َّ وج ت ي هي أحسن จงดาว่าพวกเขาไปสู่เส้นทางของ Allah سبحانه และ ت ع าเป็นคำสั่งกับท่านนบีของเราอ่ะจงเชิญชวนประชาชนของท่านไปสู่ Allah ด้วยฮิคมะฮิคแมก็คืออะไรมีความหมายที่หลากหลายมากนะครับฮิเนี่ยอัลดลาอิอัลฮบางอุลามได้บอกว่าก็คือหลักฐานที่ชัดแจ้ง บอกให้ชัดไม่มีข้อคลุมเครือสงสัยซึ่งเวลาที่เราไปดูสุรทุลมุลข์เนี่ยเราจะเห็นความเป็นฮิกมัตอยู่ในโซร้อนี้สุรตุลมุลข์เนี่ยพูดถึงอะไรครับพูดถึงหลักฐานความเกรียงไกรของ Allah s u b h a w t ในรูปของการสร้างสรรค์อันสวยงามของ Allah m u h s i n ิ k ไม่สามารถจะปฏิเสธความสวยงามของ Allah, ความสวยงามในการสร้างของ Allah s u w t ได้เลย อัลกรุรอานถึงกับท้าฟะจีลบาสรฮาลจราินฟุตูรเอาสายตาของเจ้าย้อนกลับไปดูท้งฟ้าอีกหลายรอบเลยไปดูอีกหลายหลายรอบไม่พ บ, บ, บความบกพร่องนี่คือดละออลวะฎีฮัอัลฮิกแมเป็นฮนะิกมะเป็นหลักฐานที่มุงชัดอย่างาเขัดเจ๋งวลม وعضة ทีลฮัสนะการตักเตือนที่ดีการตักเตือนที่ดีนี่บางอัละมะบางคนนะครับอธิบายว่ามาถึง อัจฉริบวัจฉริบอัจฉริบก็คือการปลุกเร้าการการการด่าว่าในในบอกข้อมูลในเชิงเอ่อเชิงอะไรอะความสวยงามคุณงามความดีของอิสลามความน่าอยู่ของสวรรค์ผลบุญต่างๆในแง่บวกใช่ไหมครับส่วนอัตฉรีบในแง่ความกลัว บอกถึงนรกบอกถึงบาปบอกถึงการลงโทษก่อนแล้วซึ่งเราจะพบเรื่องพวกนี้ในสุร่าสุรหาอะไรที่เราเรียนสุร่าตุลฮักะสุร่าตุลฮะกะเนี่ยเป็นเนื้อหาการดักวะวิธีการดักวะที่พูดถึงอัลตรีบอัลตรีบนะว่จะดิลฮุมบินละที ah ่ฮียอัพซันแล้วก็พูดถึงการที่จะตอบโต้กับบรรดามุชริกมจะตอบโต้อย่างไรมันก็มีอยู่ในสุร่าตุลกลัมก็มีนะครับพูดถึง กางที่บรรดามุช้ชริกินนั้นถักถางเยอะแยยท่านนาบียังไงแล้วท่านนาบีตอบโต้อยังไงมันมีพูดในสุรทูลการหละงมาถึงสุรทูลมาอาริชที่เราเรียนไปเ พ, พิ่งเพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเข้อเรียกว่าต้นทุนของคนที่จะทํางานคือคนอื่นจะว่าจะด่าว่าจะกล่าวว่าอะไรกับเรายังไงเนี่ย หลักการยึดมั่นของเราการแสดงออกของเราพฤติกรรมของเรามั่นคงไม่เปลีป่ยนแปลงมีบุคลิกของลักษณะที่ชัดเจนอะอะไรอะั ين ين ลลอลมุสลิลัลลัตินัมฟิซซาลัติฮิมอัลซลัติฮิมดาอิมุนละมาจ่าย zakat อะไรอีกเกรงกลัวนี่เป็นคุณลักษณะของคนที่จะทำงานได้ของคนที่ต้อง ม, มีบุคลิกลักษณะอย่างนี้ นมาถึงส AH uh. ok ุรหนูอัลลอฮ์ تعالى กำลังยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าท่านนบีของเราทํางานด่าวะมาสุรหนูเนี่ยลงที่มักกะเป็นสุรห์มักกะยะลงที่มักกะนะแสดงว่าประมาณสิบปีสามสิบปีผมไม่แน่ใจว่าลงหลังจากอ่มีมีมีระบุในในทั f s i r หรือเปล่าว่าลงหลังจากสุรห์ไหนปีไหนแต่จะบอกว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการทํางานของท่านนบีสุลต์ละฮ์สันละ ยังไม่ใช่ยุคมาดีนะซึ่งถ้าท่านนบี ส, สละสลามรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยละวใช่ไหมคือวันแรกตั้งแต่ทํางานไดว้ว่ามันก็เหนื่อยแล้วโดนโดนต่อต้านจากลุงของตัวเองจากหน้าของตัวเองเนี่ยอบุลละฮับอับุลจาลเป็นญาติโยมของตัวเองทั้งทั้งเทเนี่ยรู้สึกไม่ไหวละเดี๋ยวก่อนถ้ารู้สึกไม่ไหวเนี่ยมาดูก่อนว่าคนก่อนหน้าเจ้าเป็นยังไงนบีนุรุเป็นยังไง ก็เลยลงประธานสุรรัตน์นี้มาเพื่อให้ท่านนาบีนั้นได้รับบทเรียนว่าโอ้ oh, ฉันเพิ่งทำเองนะในขณะที่ท่านนาบีนุชใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำงานแล้วเกิดอะไรขึ้นกับท่านนาบีนุชเอาเรื่องราวของท่านนาบีนุ์ ม, มาเพื่อที่จะปลอบโยนท่านนาบีสุัอัลลอฮสัลลัมและบอกให้เราได้เอาบทเรียนจากเรื่องราวการทำงานที่มันทรคทมากในโลกนี้ผมว่า เรื่องราวการทํางานของบรรดานาับีเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมันจะมีจุดเด่นจุดจุดที่น่าสนใจไม่ไม่เหมือนกันนบีมูซาก็มีจุดที่น่าสนใจของขของขององท่านนะครับอย่างของนบีินุนเนี่ยความอึดความทรหดเนี่ยไม่มีใครสู้ท่านได้ละสุภานอัลลอฮ์ AH. นะเก้าร้อยห้าสิบปีเก้าร้อยห้าสิบปีอัลลอฮ์ ألف سنة إلّا خمسين ดังนั้นนะในยูจูที่ยี่สิเนี่เราจะเห็นมิติของการทํางานดะาว่าอย่างไงถ้าเราจะวิเคราะห์กันจริงๆรงนี่นะ่าสนใจมากๆนะครับเนื้อหาอะไรที่เราจะนําเสนอวิธีการตอบโต้เราจะตอบโต้อย่างไงวิธีการทําให้ตัวเองเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาจะทํำยังไงแล้วก็เอาบทเรียนจากเรื่องราวของคนก่อนๆ อ, อย่างนาบีโนด้ด้วยอันนี้เป็นเล็กน้อยนะครับของที่เราจะเข้าไปสู่ เนหาในสุรากจริงๆเวลาที่เราอ่านสุรานี้เราจะเห็นภาพนะครับว่าการทํางานเนี่ยคือสรุปได้อย่างกระชับมากจริงๆแล้วเรื่องราวของนบีนุ่งเนี่ย950ปีเนี่ยแล้วเรามาดูสุรานี้เนี่ยสองหน้าไม่พอหมายถึงว่าไม่ครบถี่950ปีภายในสองหน้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อัลกุรอานกระชับพื้นที่สรุปเอาเนื้อเนื้อ เอา abstract อันนี้สุราุูกนี่เป็น abstract นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เรียกว่าอะไร abstract วิจัยอเวลาทำวิจัยใช่ไหมวิจัยเนี่ยมีเป็นร้อยๆหน้าแล้วจะมี abstract อยู่ก่อนหน้านั้นหนึ่งหน้าไม่ถึงครึ่งไม่ถึงหนึ่งหน้าฮะไม่ใช่ไม่ใช่บทนำํำ abstract ก็คือสรุปสรุปย่อนะครับให้เราเห็นภาพว่านี่คื อ, อการทํางานได้ว่าเก้า้อยห้าสิปีอยู่ใน ประมาณสองหน้านะครับสุรฮะเป็นความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานขริบแน่นอนว่าเรื่องราวของนบีนุน่มมีอยู่ในสุรฮะอื่นอีกเยอะแยะแต่มาดูนะว่าในยุทที่สิบเก้าเทากับแต่เราพูดถึงสุรฮะนุ่มเลยโดยเฉพาะเลยเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถจะเอาไปเป็นบทเรียนในชีวิตการทํางานของเราบ้าง น, นะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ติดตามท่านนาบีสุลฮะอัลลอฮฺซุลแลมซึ่งมีภาระหน้าที่ใ น, ในการนํา رحم ะมสู่มนุษยชาติทั้งหมด มาอ่านกันก่อนครับสักนิดนึงอุบิล له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم อินน่ ن อัลสล ل ะอูฮัَอีลาควุมีอันอ ذ ِ ر ْ ี่ <ه وأ خ ير> م วกเขาจะได้รับการลงโทษที่แสนเจ็บปวดท่า ตั้งทั่วทัَ้โลกที่มีมนุษย์อยู่อาศัย อินน่าคนุ ل มมิ่งมุ่งมั่นยั่งย ل ูกุณทุน تعلم ละอุลละมุนฮะม์อัลลอฮฺซีอฺะยะกะนะฮ์ม์ลาอิลลัฮฺอิลลัลลอฮฺซาฟรุลลอฮฺทุบอิลลัฮฺซู Surah Nuh ในที่เซนนีน่ะบอกว่ามิในสุวรอัลมาคีย์อัลละนสุรที่ถูกประทานลงมาในยุคมกะก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปยังนครมดีนะนะครับทุกอายัจากสุรานี้ถูกประทานมาในที่มักะมเลนะครับวกานูเฮาบัลดสุรตนลวลติอิบรฮมถูกประทานลงมาหลังจากสุรัตุนหพลเลก่อนสุรอิบรอฮม ทั้งสุรษเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของท่านนาบีนุ้ยการที่ท่านนาบีรุ่นท่านรับคําสั่งจากอัลลอฮ์สุบฮานะหะวะตัลละให้ทําการด่าวะนะครับนบีนุ้ยนี่ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ดี่ผมไม่ทันได้ดูนะครับว่าประวัติศาสตร์หลังจากที่ท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหะวะลลส่งมาอยู่บนโลกช่วงเวลาหลังจากที่ท่านนาบีอาดัมได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนี่ย มนุษย์ไม่มีใครที่ชีริกหมดไม่มีใครที่ชีริกเลยไม่มีใครที่ตั้งภาคีต่อ Allah Subhanahu wa Taala เลยเป็นเวลาทั้งหมดกี่ปีทำได้ไหมโลกอยู่ในสภาพที่ปลอดจากชีริกเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์เป็นเป็นเวลาทั้งหมดกี่ปีไม่มีคนกราบไหว้บูชาไ ม, ม่มีอะไรมืกี้มีอะไรแปลกแ ป, แปมีอะไรไไหรือเปล่าเอามาเลย Uh, มีอะไร ม, uh, มีทั้งหมดกี่ปีครับใครพอจะจาได้บ้างพวกเราเคยเรียนหรือเปล่าเรื่องราวของบรรด า, าบินบีท่องชื่อนบีได้ไหมอาดัม อ, อันนี้ก็มีปัญหาอยู่อิดริสกับนุชเนี่ยอันไหนมา ก, ก่อนถ้าเราท่องอยู่ตามทันสมัยตานดิการเขาบอกว่าอิดริสมาเกาะจริงๆแล้ว ่ผมก็ไม่ทันไปไม่ไม่ไม่ไมกล้าที่จะมายืนยันตรงนี้แต่ว่ามีข้อมูลที่บอกว่านาบีนุกมาก่อนนบีอิดริสเพราะว่าในประวัติศาสตร์บอกว่าหนึ่งพันปีตั้งแต่ยุคอาดัมมาจนถึงยุคของท่านนาบีนุษไม่มีชีริกหนึ่งพันอยู่จนครบหนึ่งพันปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสุบฮานัลลอเนี่จะบอกว่า ท่านนาบีนูฮิถมงานเก้าร้อยห้าสิบปีแต่ใชยตอนทำงานหนึ่งพันปีใชยตอนรอเวลาหนึ่งพันปีจนกว่าจะเกิดชีริกครั้งแรกในโลกดุเนี่มันรอถึงหนึ่งพันปีมันทำงานมาตั้งแต่วันแรกที่มันเป็นศัตรูกับอาดังมันถูก ส่งลงามาอย่างโลกโดุนยาด้วยพยายามมากที่จะให้ลูกหลานของอาดัมเนี่ยเกิดการชิริกาาต่ออัลลอฮฺ سبحانه ะละ ت ع ا ل ไม่ประสบความสำเร็จทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกหนึ่งพันปีจึงประสบความสำเร็จหนึ่งพันปีหลังจากที่ท่านนบีอาดัมหมดยุค ข, ของท่านนบีนอาดัมไปนี่เพิงจะมีการชิริกขึ้นมาครั้งแรกนั่นแหละอัลลอฮฺต า, าลาจึงส่งนบีนูฮมา ถ้าไม่มีชีริกไม่จำเป็นต้องมีนาบิุ ب ح ا ن อัลลอฮ์ทำยังไงครับชัยตอนทำยังไงจมันจะมีเรื่องราวอยู่เดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยค่อยเก็บเอาไว้ค่อยกักเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงอายะห์ของมันอยู่ในหน้าหลังนะครับที่พูดถึงวลาดออะไรนะอ่าวัดดันวลาสวอันวลายาสวยะอุกวานสรามีจุดฮ่า้ารูป ซึ่งเดิมทีนั้นเป็นคนซ่อเลเป็นคนดีนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเราพอ ถ, ถึงช่วงนั้นเราจะเล่าให้ฟังเฉชาลเาแต่จะบอกว่าใช้ตอนรอถึงหนึ่งพันปีอะไม่เหนื่อยเลยอันนี้วิธีการของใช้ตอนเนี่ยอุลมะบางคนอธิบายว่าบางทีนะหนึ่งร้อยอย่างที่มันหลอกเราเนี่ยเก้าสิบเก้าอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ผิด นึกภาพออกไหมครับมันล่อเราด้วยสิ่งที่ไม่ได้ผิดมากอะ่ะโอเคทําไปก่อนทําไปก่อนแล้วมันก็แทรกพอครั้งที่หนึ่งร้อยมันแทรกอะไรเขาเรียกแทรกพิษของมันเก้าสิบเก้าครั้งที่มันล้มเหลวมันยอมก่อนเนี่ยมันถอยเก้าสิบเก้าครั้งเพื่อที่จะรุกหนึ่งครั้งตอนที่เราเผลอหลงพลมันไปแล้วจอดเลยครับ นาอุบินละมึงได้เลยนี่คือวิธีการของเชียวตอนซึ่งมีมนุษย์บางประเภทใช้วิธีนนี้อยู่ในปัจจุบันนี้มนุษย์บางประเภทมนุษย์บางกลุ่มพวกพวกที่ช่ำชองในเรื่องของการหลอกคนอื่นจะใช้วิธีนี้ในการทําให้คนซื่ อ, อไม่ใช่คนไม่ดีนะเป็นคนซื่อแต่ไม่ทันเกมโดนหลอก จากการใช้อุบายเหมือนที่อุบายของชายตอนใช้ชายตอนมันจะให้ก่อนให้ให้ใ ห, ให้พอถึงวันที่มันต้องการเนี่ยมันจะทีเดียวแล้วเราก็ทำอะไรมันไม่ได้ะอุเป็นแหละเหมืนากหนึ่งพันปีนะครับกว่าจะเกิดชีริกพอเกิดชีริกมาเอาละเราก็เลยส่งน ب ي นะอัลฮิสสลามะอินเนาะรสเซลนานูฮันอล uh ีลาโควุม أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إن ็นการประกาศชัดเจนจากอัลลอฮฺว่าเราด้วยฮิกมัดของเราด้วยเหตุผลที่เรารู้ชัดเจนว่าทําไมเราส่งนุฮฺมาเนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีเหตุผลแหละที่อัลลอฮฺสง่สงส่งนบีมานต้องมีเหตุผลสักอย่างนั้นสง่งนุฮฺมาอินนาอุสลนาหนูฮันอิลากเอมายังพักพวกของเขาอายันี้เนี่ย อิละอิละเขาเนียมายังพักพวกของนบีนูบบางบางคนนะครับให้คําอธิบายที่ละเอียดมากเขาบอกว่าทําไมอาัลตัลาไม่บอกว่าทรงนูบมาให้กับมนุษยชาติแต่บอกว่าทรงนูบมาให้กับพักพวกของเขาทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้นู์ มีกำลังใจในการทำงานเพราะว่าทั้งหมดที่ทุ่มเทลงไปเนี่ยเพื่อเพื่อใครเพื่อพักพวกของตัวเองเพื่อญาติของเราเองเพื่อพ่อแม่พี่น้องของเราเองที่เราทำงานได้วันนเราไม่ได้ทำงานเพื่อเพื่อใครทั้งนั้นเพื่อคนรอบข้างเราทั้งเปอนอันนี้มันจะได้มีกำลังใจอันออชาชาอเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออสั่งที่ได้ก็คือ أن أن ت ت ف ف ف อันอันดุรกาหมักจงให้คำตักเตือนแก่พวกพักพวกของเจ้ามิงกับเลออันยะที่อาหุมอาเจบุนอัลีมก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจาลอฮฺ سبحانه และจะมาถึงพวกเขาสุบ้านอัลลอฮอินดาร ก็คือการตัดเตือนการเตือนให้รูเเ้เหมือนกับการเตือนภัยเอนทาร์นี่เหมือนกับการเตือนภัยเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่เราไปตามอาคารโรงแรมโรงพยาบาลโรงเรียนใช่ไหมมันจะต้องมีระบบอะไรก็เรียกอระบบเตือนภัยเวลาที่มีไฟไหม้ขึ้นมามันก็จะดังออเราจะได้เตรียมตัวเพื่อไม่ให้เกิดไม่ให้โดนกับไฟนี่คือมาจากคําว่าออนทาร์จารุสุลเอนทาร์ า, ะา จ, จะใช้ว่าจอรุลอินอินเตือนภัยซึ่งวิธีนี้เนี่ยการอินザแบบนี้เนี่ยท่านนาบีสุสลต่านเคยใช้เป็นหน้าที่เดียวเลยท่านนาบีมูฮัมมัดของเราเองก็ได้รับคาสั่งจากอัลล์ให้มาเป็นมุนซิรมุนซิรก็คือมาเตือนภัยไม่ใช่มามาเตือนมาเตือนด้วยความหวังดีนี่คือความหมายของคำว่านะอินนะอันซิรอมัก เมื่อก่อนที่อัลลอฮจะลงโทษพวกเขานี่เป็นกฎเกณฑ์อัลลอฮข้อหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของอัลลอฮ์อัลลอฮจะไม่ลงโทษบ่าวของพระองค์ด้วยวิธีการที่เอาตอนเผลอไม่จะมีการอินดาร์ก่อนจะมีการเตือนก่อน ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทำผิดทำผิดทำผิดแล้วไม่มีการตั ก, กเตือนอะไรอยู่ดีๆจมลงไปไ ม, ไ, มไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นสุนัตุลรอดเป็นกฎเกณฑ์ยะละตะละด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยการยุติธรรมของพระองค์พระองค์จะไม่ลงโทษโดยที่ไม่มีคนมาบอกกล่าวเล่าความให้รู้ก่อนต้องมีก่อนสุบฮานัลลอฮ์ต้องมีคนที่มาบอกก่อนนบีนุก็เช่นกันนะอะละตละลาเห็นแล้วว่า พรรพวกของนบีนูประชาชนในยุค ข, ของท่านนาบีนูนี่ทาชีริกต่อพระองค์อะไรยังไงหนักหนาสาหั ส, สหกันมากก็เลยส่งคนเนะราซูลคนหนึ่งมาจากคนของจากหมู่พวกของพวกเขากันเองเนี่ยมาเพื่อเตือนไยัยก่อนเชลตาเราจะลงโทษท่านนาบีนูเมื่อรับคําสั่งขององค์สุบาต า, าก็บอกว่าอย่างไงก็เริ่มทําหน้าที่นะก๊าลัยอาโควมอินนีเลกุม นะีรุมโมบีอประกาศชัดมากนะย่ากลุ่มโอ้พักพวกของฉันเอ๋ยเรียกเรียกด้วยความคือสัมเนียงแล้วก็วิธีการแสดงออกถึงความอะไรความความปรารถนาดีอะความเป็นห่วงความกังวลโอ้พักพวกของฉันเอ๋ยนะอย่ากลมพักพวกของฉันไม่ได้ตวาด ไม่ได้ไปก็ไม่อยู่ดีๆก็คือไปตวาดไปขับไล่ใช้เสียงแบบไม่น่าฟังไม่อย่าเข้านี่คือนะกระบวนการหรือวิธีการของบรรดานนาบีนะครับที่อัลลอฮฺสวาลาลาได้สอนพวกเข้อน um um ีลคมนาวีรมโมบีนแท้จริงแล้วฉันเนี่ยเป็นผู้เตือนภัยที่ชัดเจนสำหรับพวกเจ้านะครับ อนันอับดุลลอฮฺะตะกูัวอัตีอูนนะมาบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงเคารพพักดีต่อ Allah سبحانه และและจงตักจงตักวาต่อพระองค์และจงเชื่อฟังฉันสองอายัดนี้พี่น้องลองสังเกตดูให้ดีนะครับเราเนื้อหาของมันเนี่ยมันกระชับมากๆเลย เป็นการ identify, าไอไนฟเาเรียกว่าเป็นการให้ลกเป็นการให้นิยามคนทำงานคนหนึ่งคนที่ทำงานเพื่ออัลลอฮวต่อาอะไนี่เขาจะมีความชัดเจนว่าเขามาทำงานเพื่ออะไรมาบอกเพื่อใครเพื่อตัวเขาเองไหมนซีรนะซีรมาเตือนเตือนเพื่อใครเตือนเพื่อพวกเขานะให้ให้ระวังตัว แล้วทำทั้งหมดเนี่ยชัดเจนมากว่าอยู่บนพื้นฐานของสัจธรรมไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นไม่ได้มาต้องการที่จะเป็นอะไรเขาเรียกเป็นเป็นหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นผู้นำเป็นประธานท่านไมมาทำหน้าที่เพื่อความหวังดีในเรื่องของนะให้ปลอดภัยจากการลงโทษของล็อกซมพานอตอะไจริงจริงแล้วสิ่งที่เรียกนั้นก็คืออะเนบุดุลลอ ประกาศชัดเลยว่าสิ่งที่ฉันมาบอกกับเจ้าไม่มีอย่างอื่นนอกจากให้กลับไปหาอัลลอฮฺวะตะกูจงตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับว่าอตีอูนแล้วก็ต่ออัดต่ออัตเนี่ยมาหลังจากที่ต่ออัตต่ออัตต่อท่านนบีก็คือต่ออัดต่อฉันตออัตต่อตออัตต่อทานบีก็เหมือนกับต่ออัตต่ออัลลอฮ์มันอยู่ที่อิมรอสูล فقط أطى الله ในสุรตุนีซะที่อัลลอฮฺตรัสบอกว่า ใครที่ต่ออาตต่อรอซูลก็เหมือนกับว่าเขาต่ออาตต่อลล l a h เพราะรอซูลนี่เป็นใครอ่ะรอซูลก็คือตัวแทนของ a าล a h เวลาที่เราสมมติมีผู้นำสารมาใครที่ชอบดูหนังจีนจะเห็นภาพชัดเลยเขาจะประกาศว่าอย่างไงนะทูตที่มาอะไรนะรับราชโองการอะไร รับราชโอ๋ยไม่เอาไม่เอาโดนเด็ดหัวเลยนะโดนเรียกโดนห้องเตเรียกเข้าไปเด็ดหัวเพราะฉะนั้นมันก็เหมือน่ะคนที่ฟังเวลาอันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยจะจะให้เห็นภาพนะฮะแล้วเวลาจะรับราชองค์การนี่ต้องทายังไงต้องต้องทำต้องทำไม้ทำมือเหมือนอยู่ตอนหน้าห้องเตเลยอันนี้นะบ่ะใช่ไหมฮะนี่คือความหมายของคำว่า มันอยู่ต่ออิมรัสูลาะกะอัตาอัลลอฮใครที่ปฏิบัติตามทูตรอซูลก็คือทูตทูตที่เอาสารมาจากอัลลอฮ์อัลมาอัลละอัลกุรอานก็คือสารจากอัลลอฮ์วาหิวก็คือสารจากอัลลอฮ์ใครที่เชื่อฟังทูตก็คือเชื่อฟังอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าวอาอัตีอุนจึงไม่ได้แปลไม่ได้บอกว่าท่านนาบีนุเรียกให้มาเอ่อมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้อย่างใดไม่ใช่นะครับทั้งหมดนั้นเป็นการ Tak pesoh Allah, nah song song kerang, karena ni, meh, nah, anak budullah, cuma ibadat Allah, cuma penbau Allah, wa taqouh, nah, cuma takwa Allah, nakap, wa atiun, leh cuma taat takkan. Ani ni, kamus sani, taro cepat dulu, nah, Subhanallah, naib bang surah ni, akan ada lebih dari satu orang. ตัวอย่างเช่นในส ah ุราอัลชูอาราเมย์ก็ทั่งนบีนูเองเนี่ยก็มีพูดในหลายส ah, ah ุราสุราตุลอากรสุราตุลอากรนี่พูดตั้งแต่นบีอาดัมตั้งแต่ต้นสุราเนี่ยจะมีเรื่องราวของชัยตอนกับนบีอาดัมละเริ่มกับเรื่องราวที่อาดัมถูกส่งลงมายังโลกมนุษย์แล้วมีการพูดถึงเรื่องราวที่ชัยตอนไปร้องกับอัลลอฮ์สวาลตะละไปขอกับอัลลอฮ์หลังจากนั้นก็สลับไปที่เรื่องราวของบรรดา น, นับีต่างๆ Nabi Nu, Nabi uh, Hud, Nabi Lu, Nabi Musa, Nabi Musa ni c e yang l m a d a l a Surah Al-Araf, menjadi cerita yang sangat menarik untuk dipelajari. Di Surah Al-Araf ada cerita tentang Nabi Nu, dan juga tentang Nabi lain. Na Di Surah Al-Shu'ara, Al-Shu'ara juga ada cerita tentang Nabi lain. Di Surah Al-Imran ada cerita tentang Nabi Ibrahim. Cerita ini bermula dari Nabi Musa. Bermula Na dari e r i t a Nabi Musa. แต่ที่เป็นข้อสังเกตมากๆคําสั่งที่อัอลลอฮฺสั่งนบีทุกคนเนี่ยจะเป็นแ น, นวเดียวกันหมดเลยไม่มีแนวอื่นแนวที่ว่านี้ก็คืออเนบูดุลลอห์จงเป็นบ่าวของลอห์เหมือนกันหมดเลยประกาศแบบนี้เหมือนกันทุกคน ตอนที่นบีอูษม์มาประกาศก็ประกาศแบบนี้อัเน็กระบุดุลลอห์เป็นบาปของอัลลอฮ์เถอดวัดตะกูจงตะกัวต่อพระองค์เถอดนบีทุกคนบอกให้ตะกัวต่ออัลลอฮ์อาไรหมดเลยจงเชื่อฟังฉันอย่าทรยศฉันให้เป็นแน่นี้หมดเลยเนีไปดูถ้าไปดูในสุรตูชอระเนี่ยสํานวนเหมือนกันหมดเลยออนเน็กรบุดุลลอห์วัดตะกูอะไรประมาณนี้นะครับจำไม่ได้ว่เป็นสัมนวนยังไงแต่จะบอกว่าอิบัตัตต่ออัลลอ วัตะกูนะตักวาจริงๆแล้วมันอยู่ในอิบัตัดของอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่เอามาเอามาย้ําอีกทีหนึ่งเพราะความสําคัญของมันตะกวาก็เป็นหนึ่งในจํานวนอิบาัตัดนะครับอิบัตัดกับตะกวาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่เอามาพูดสองเขาเรียกว่าแยกเอามาพูดแยกอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของอิบัตัดประเภทนี้ซึ่งเราบอกแล้วว่า อัตควาเนี่ยการทักว่าต่อ a l l ุ h Subhanahu Taala เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอิริยาบถและกิจกรรมของมนุษย์เกือบทั้งหมดเลยหมดเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรมีตักวาเข้ามาเกี่ยวข้องหมดนะเป็นกุญแจนะที่เราบอกว่า Index. อินเด็กซ์อัตควาอินเด็กซ์ของตักวาในอัลกุรอานเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เนี่ยวันนี้เจอและหนึ่งที่ตักวาที่เกี่ยวข้องกับประชาชาติของนบีนะ เวลาที่เราไปอ่านอายัดอื่นเราก็จะเจอตะ ก, กวัวอย่างนี้แสดงว่านาบีทุกคนเนี่ยเรียกร้องให้ไปสู่การตะ ก, กวัวต่ อ, อร้อนร้อนสลามเป็นความสําคัญมากนะครับใครต้องพยายามตีโจทย์ให้แต่ก็ตะ ก, กัาคืออะไรเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมไม่รู้ว่าตะ ก, กัาคืออะไรระวังระวังให้ดีนะระวังจะโดนเหยื่อจะโดนกับดักของชายตอนเชายตอนไม่สามารถที่ทําร้ายคนที่เป็นมุตตากิน เมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีตักวัวเราจะเป็นเหยื่อของชายตอนได้ง่ายมากเอาสุเป็นแห ล, ลมันได้ เ, เพราะฉะนั้นเป็นมุสลิมเนี่ยในเมื่อมันมีตักกวเยอะมากในอัลกุรอานนี่เราบอกไม่ได้ว่าตะกววคืออะไรเนี่ยน่าสงสารนะไม่รู้จะพูดยังไงนั่นต้องกลับไปให้มันเข้าใจจริงๆว่าตะกวัวคืออะไรนะครับเพราะว่าเป็นด่าวะของบรรดานับีทุกคน มีทุกคนได้ว่าเราเป็นคนตะกวาต่อหรอแต่เรายังไม่รู้เลยว่าตะกว่าคืออะไรบอกตั้งไม่รู้ตั้งกี่ครั้งฟังทุกสุขทุกสุกทุกวันสุอ่็ฟังอ่ะยะอุฮฺมัลลัตินอฺมานุตักุลลอฮฺฮักกะทุกกะตีไม่ใช่ตักว่าใช่ใช่นะฮักกะทุกกะติตะกวาแบบจริงอ่ะอมีตะกว่าปลอมด้วยเนะครับมีครับมีตะกว่าปลอมก็พวกเราแล้วมั้งตะกวาตะกว่าจริงๆอ่ะ Oh, yang ni takwa jinjing. La ilaahaillallah. Saktulallah wa tawwibillah. Tatkah Omar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Tengah. Hey, eh, Omar nih. Omar ni kaya. Omar ni kaya. Mengenai orang berbaik Omar ni. Iman. Kau Omar kau iman. Kita pergi wad kau apa? Omar. อุมาัดเนี่ยไปถามอุบายเป็นแกอับนะอุบายนี่เราก็เรียนละอุบายนี่มีผลงานที่เราเรียนนะเป็นคนที่ท่านนาบีถามเกี่ยวกับอายัอะไรฮะอายัดขุศีจำได้ไหมท่านนาบีเนี่ยเลยะนิคัล علم อับลมุนซิรท่านนาบีรับรองความรู้ของอุบายเป็นแกอับอุมาัดก็เลยไปถามอุบายเพราะอุบายเนี่ยท่านนาบีรับรองถึงความรอบรู้ของท่านในเรื่องของการ เข้าใจอัลกุรอานใช่ไหมท่านอุมาระต้องไปถามอุบายเป็นกคอ่าว่าตักวาคืออะไรต้องอยากจะรู้ต้องรู้ให้ได้ว่าตักวาคืออะไรเนี่ยคนที่เขาเรียกว่ามีความรู้จริงๆนะคนที่รู้ตัวเองจริงๆไม่ถามไม่ได้ถือตัวเลยฉันเป็นคนซาฮบะ ค, คนที่สองรองจากอบูบักไม่ไม่ไมม เราไม่ไม่ได้ถือตัวถึงขนาดว่าฉันเก่งแล้วไม่ต้องถามใครไม่ไม่ถามอุ้ยเป็นกระอับว่าตักวาคืออะไรเราเคยถามหรือเปล่าคำถามนี้คาถามแบบนี้คำถามของคนที่รู้จริงๆเขาจะเขาจะถามคำถามที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาพเราเนี่ยมักจะถามคำถามที่เขาเรียกคำถามปลายแถวนะคำถามแบบหัวกระทิ้นี่ไม่ค่อยชอบถามเท่าไหร่เราชอบถามคำถามที่บางทีคนตอบไม่อยากตอบอะ ไปหาเองได้ไปเออสักหน่อยก็เจอแล้วแล้วไม่ไม่เราชอบถามคําถามเราก็ถามปลายแถวปลายกะทินะปลายกะทิไม่ชอบถามคำถามหัวะกะทิผมามที่ไปถามอุบายเป็นกาบอตกตะกวาคืออะไรอุบายก็เลยตอบนะตอบไปกับท่านอผมนะครับคืออะไรนั้นลองกลับไปหาเองนะแต่จะบอกว่านี่คือความสําคัญของตะ ก, กวานะครับ ส่วนการต่ออาตมท่านนาบีสุดอย่างที่เราอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันมีข้อเท็จจริงยังไงทีนี้เมื่อมีคําสั่งแล้วเนี่ยบางทีเอ้ยเคารบต่ออิบาดัต Allah ต่อล l l a h ตาลาทำไมตักว่าต่ อ, ตอล l l a h ตาลาทำไมแล้วจะเชื่อท่านทําไมมีประโยชน์อะไรที่จะเชื่อบอกผลบุญยากฟิรลักุมมินดุนูบิคุม و ่าจะรู well, ้ว่าจะ م ู้ว่าจะรู้ว่าจะรู้ว่าจะรู้ว่าจะรู้ว่าู้ว่าจว่เจะ้ว่าจะรู้ว่าจะู้ว่าจะรู้่าะรู้ว่าจะรู้ว่าจะู้ว่าจ่าจะรูลว่าะรู้ว่าจะรู้ท่าจ้ว่าจว่าจะรู้่าจะรู้วร้ว่าจรู้ว่าจะรู้ว่าจะรู้่ะรารู้าจะว้ว่าจวจ้า้วจร้ารู้า้าจ่าจะรู่าะรู้วว่า้วจ้าาาาู่ะ บาปต่างๆที่พวกเจ้าทำอยู่เนี่ยอลัลลอฮฺตะลาโกรธนะอละัลลอฮฺตะลาไม่ชอบนะแต่ถ้าพวกเจ้ากลับไปหา Allah, อัลลอฮฺอัลลอฮฺตะลากระชัยักฟิรละกุมมินซุนูบิคุมนะมินซุนูบิกุมหมายถึงบาปบา ป, บาปตรงนี้มีการอธิบายนะครับนะาะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไวยากรณ์ภาษาอาหรับซึ่ง ถ้าจะให้สรุปก็คือวิยากรนในมินโดยเฉพาะคาว่ามินตรงนี้มันมีมันมีคลิ้ลกันอยู่ระหว่างนัตักซีว่ามินตัวเนี้มีหน้าที่อะไรอย่าฟ um ิรละคุมมินดุนูบิคุมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบางอายัดเนี่ยจะไม่มีมินย่าฟ um um ิรละคุมดุนูบักคุมอย่างเช่นในส ah um um ุราตุซาฟอย่าฟิรละคุมดุนูบักคุมอัลลอฮฺจะเอาไปาโทษของพวกเจ้าไม่มีคําว่ามินแต่ในสุราห์นูฮเนี่มีคําว่ามินอยู่ด้วยย่างฟิรละคุมมิน ดูโนบิคมบรรดาอัลลัมก็เลยม า, ม, ามาอธิบายกันว่าตกลงมินตัวนี้มีหน้าที่อะไรทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าไม่มาเนี่ยถามว่าความหมายมันโอเคไหมกโอเคแต่มาตรงนี้เนี่ยยิ่งเพิ่มความหมายของมันเข้าไปในอีกบางมิติถ้าหากว่าไม่มีเขาเรียกมินซาิดะอุลลัมกบางคนบอกว่ามินตรงนี้เป็นมินซาิดะลิดตะขี่เพื่อเป็นการเน้นย้ําว่าอลัาลลอฮฺจะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าโดยจริงๆ โดยแน่แท้เป็นการยืนยันจากาาอัลลอฮ์สุบฮานเอาาซึ่งแล้วบางคนก็บอกว่ามินตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นมินลิตตบอีิดมินลิตบธบอบิดหมายถึงบาปต่างๆที่บาปส่วนหนึ่งไม่ใช่บาปทั้งหมดหมายถึงบาปที่ทำก่อนน่าจะเป็นผู้ศรัทธาในภาพอาไหมครับ มันจะมีเส้นแบ่งอยู่ก่อนที่จะเป็นผู้ศรัทธาเราทําบาปมาใช่ไหมสมมุติว่าคนคนหนึ่งก่อนที่จะเป็นมุสลิมก่อนหน้าเนี้ที่ไม่ได้เป็นมุสลินมนี่บาปทั้งหมดเนี่ยพอรับศรัทธาปุ๊บบาปจะเป็นยังไงครับจะลบไปหมดเลยแล้วถ้าสมมุติว่าพอเป็นผู้ศรัทธาแล้วไปทําบาปอีกเนี่ยฮะก็ต้องเตาบัสอีกรอบหนึ่งทราบไหมครับแสดงว่ามินตัวนี้เนี่ยนี่ผม บ, บอกแล้วเป็นเป็นเรื่องของไวยากรณ์มัน พอมาพูดพวกเราว่าอาจจะงงหรือสับสนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสรุปให้ง่ายๆสั้นๆก็คือว่าการที่คนคนหนึ่งทําอิบาาตตัตด์ต่อลอสอัลลาฮฺเกรงกลัวต่อพระองค์ละทิ้งสภาพกูฟอเนี่ยมันจะลบล้างบาปของเขานะนะฮะบอย่างฟิรละกุมมินดุนูบิกุมวายุอัคริกุมอิลลอาจัลมุซัมมะนอกจากจะลบบาปแล้วเนี่ยอัลลอฮาจะไม่ลงโทษ จะไม่ลงโทษและจะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนียะเพื่อได้ทำอาหมัลความดีต่อไปอายะค์นี้เนี่ยบางคนเอาไปเป็นเขาเรียกว่าไปอ้างเป็นหลักฐานว่าการทําดีจะเพิ่มอายุของเราการทำอาหมัลซอนเลยนะจะช่วยเขาเรียกว่าช่วยอะไรนะช่วยยืดช่ว ย, ช, ว ย, ช, วยช่วยให้มีชีวิตอยู่ในโลกได้ได้นั้น ใครที่อยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นานๆเนี่ยให้ทำความดีให้เยอะโดยเฉพาะมีระบุในหะดิษนะครับที่ท่านนบีสุล่ามบอกว่าซิลัตุรรหมีดะซีดูฟิลุมบรีในท afsir นุกษทศก็บอกนะครับที่บอกว่าหนึ่งในจำนวนอามความดีที่จะทำให้เรานั้นมีอายุยืนนานก็คือการสารสัม <Jump> พ <ing> in <shoulders> <go> ันธ์กับ กับเครียดยากศิละตุราหิมเนี่ยไม่ใช่เป็นการทดแทนนะหมายถึงเราเป็นคนเริ่มก่อนถ้าเขาทำดีแล้วเราไปตอบแทนอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าการสารสำคัญอันนั้นเป็นการเป็นการตอบแทนเขาศิละตุราหิมก็คือยิ่งถ้าจะให้ดีนะยากที่ไม่ยอมปลอมดองกับเราเลยอ่ะ ญาติที่ไม่ใหญ่ดีกับเราเนี่ยเราไปหาเขาอ่ะนั่นแหละคือสุดยอดของการทําดีกับกับญาติมีไหมครับญาติประเภทดีญาติที่ไม่ยอมนับญาติกับเราอะ่ะมีไหมบางคุณก็อาจจะมีเหมือนกันทีเนี้ถ้าเราอยากจะได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่บางบางอย่างนะฮะโดยเฉพาะนะตามที่ท่านนาบีบอกเนี่ยว่าเขาจะมีอายุยืนนานรุสกีจะเยอะด้วยการที่เขาชอบ นะไปสารสัมผัสกับเครือญาติของเขาสุภาลออันนี้เป็นที่เป็นที่ชัดเจนนะครับทั้งในเรื่องของอายัที่พูดถึงตรงนี้ในเรื่องของัดษที่ท่านนบีสุลต่านละัลลัมได้บอกไปซิลตุรหิมซีดูฟิลอุมรอัลลอฮุตะาลนะยัฟิรมินุนูบุมวยอัิรุมอิลา ج ا ل อินน ل ه ذ ا جاء لا يؤخر لو แท้จริงแล้วเวลาหรือกําหนดการของล็อกสุภาโนตตาลาถ้ามันถึงเวลาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีการอุดทรอีกต่อไปแล้วอยู่อักมันน่ะนายคนนี้นายกบินนายขอยจะตายวันที่เท่านั้นเท่านั้นเวลาเท่านั้นเท่านั้นเป๊ะไม่มี ว่าขออีกสักสองนาทีนะฮะขออีกสักหนึ่งวินาทีไม่มีครับเลาอยู่อักขบเล่าคนจุมจกระละมูลถ้าพวกเจ้ารู้ถ้าพวกเจ้ารู้อ่าไม่มีคำตอบถ้าพวกเจ้ารู้เนี่ยเราจะตอบว่ายัางไงถ้ารู้จะเกิดอะไรขึ้นไหนลองตอบดูสิฮะ เมื่อชาอัลลอฮ์เป็นนักตัดเศษได้ถ้าเรารู้เราจะอยู่เฉยๆไหมถ้าเรารู้จริงแสดงว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องรีบเร่งทงความดีแต่นี่ถ้าเราอยู่เฉยๆนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้จริงออิลล้าอิลลอฮ์ทุกคน j a ฮ i ลหมดเลยเราทุกคน j a ฮ i ลหมดเลย อันนี้คือตรัสรยาของอัลกุรอานมิการิมซึ่งมันลึกซึ้งมากไอ้ที่เราอยู่กันอย่างงี้เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆด้วยเราไม่รู้ว่าวันเกียรติจะเกิดเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราจ ะ, เร า, จะเราก็เลยทําตัวสบายสบายอ่อิละฮิลละลอเราหนาวสุดไปเราไม่มีอิมุลยากีนความรู้ที่ชัดเจนอิมูที่ยากีนที่แน่ใจเรายังไม่เกิดทํายังไงให้เกิดอิมุลยากีนให้ได้ถ้าเรารู้จะจ ะ, จะไม่อยู่เฉยเฉยแน่นอน ถ้าคนพวกนี้รู้ก็จะไม่อยู่เฉยๆจะไม่กูฟอร์ตอยู่อย่างนี้แต่จะรีบกลับไปศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอฺหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือถ้าพวกเจ้ารู้ก็คือไม่มีคำตอบถ้าพวกเจ้ารู้ตรงนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขของประโยคก่อนหน้านี้แสดงว่าพวกเจ้าไม่รู้เลยสิว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอฺเวลาที่จะลงโทษเนี่ยจะไม่ประวิงเวลาถ้าพวกเจ้ารู้จริงๆแต่นี้พวกเจ้าไม่รู้พวกเจ้าก็เลย เป็นอย่างสภาพที่เห็นอยู่นะครับเราจ่ า, าลนะแล้วอ่ะและหมดเวลาพอดีดังนั้นนะครับสุรนุชอินชาอัลลอ์นะครับเราจะมาดูมีเรื่องนะ่าสนใจ یک, อีกอี ก, อ, ก, อ, กอีกบางประการที่ผมว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้พวกเรากลับไปอ่านหนังสือที่พูดถึงน บ, บีโนะก่อนมันจะได้มันจะได้อัธรสดกว่านี้แล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะบางทีข้อมูลบางอย่างหรือถ้าเราอ่านมาก่อนสักนิดหนึ่งเรื่องราวของบรรดานบี ลองกลับไปหาดูนะครับจากเว็บจากหนังสืออะไรก็ได้ลองกลับไปอ่านมาสักนิดหนึ่งนะเผื่อว่าจะมีข้อมูลที่เราสามารถเอามาแชร์กันนะครับแลกเปลี่ยนกันในใน مجلس ของเราได้นะครับาะฟะนันแหละที่เรับจากพระเจ้าอัลลอฮ์ผู้ทรัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงอัลลอฮ์ผู้ทรงอัลลอฮ์ผู้ทัลลอฮ์ผู้ทรงอัอรอลฮออลลลลฮรอลออัลลลอฮรฮ์